ตอนที่สิบวักที่หปัญหาที่หาถามถึงการอุปสมบทไม่อุปสมบทข้าแต่พระหน้าเกษณ์การอุปสมบทดีหรือหรือว่าไม่อุปสมบทดีขอถวายพระพรอุปสมบทดีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอุปสมบทของพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือถวายพระพรพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้อุปสมบทแล้ว เมื่อพระนาคเกษนาล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้ามิลินจึงตรัสประกาศขึ้นว่าขอพวกโยโนกทั้งห้าร้อยจงฟังถ้อยคาของเราคือพระนาคเกษก่าวว่าพระพุทธเจ้าได้อุปสมบทแล้วเป็นอุปสมปันคือเป็นผู้ที่บวชแล้วถ้าพระสมณะโคโดมเป็นอุปสมปันใครเป็นอุปชาใครเป็นอาจารย์มีสงมานั่งหัตถบาทเท่าไร ขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าไม่มีอุปชาไม่มีอาจารย์ได้อุปสมบทเองรัสรู้เองที่ภายใต้สีมหาโพธิ์พระองค์ได้เป็นผู้อุปสมปันพร้อมด้วยพระสัพพัญยุยตยานคาแต่พนาเกษถ้าอุปชาอาจารย์ของพระสัมมาโคดมไม่มีโยมก็เข้าใจว่าพระสัมมาโคดมเป็นอนุปสมบัน คือผู้ที่ยังไม่ได้บวชเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงไม่มีอุปชาไม่มีอาจารย์เมื่อพระเจ้ามิรินตัดถามขึ้นอย่างนี้พระนาคเสนองค์อารหันผู้สำเร็จปฏิสัมพิธาจึงย้อนถามไปว่ามหาบาพิษทรงเสวยแล้วหรือโยมกินแล้วผู้เป็นเจ้าใครเป็นครูเป็นอาจารย์บอกให้เสวยหลัก ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นมหาะพิตรก็เสวยไม่ได้ได้ไม่ใช่โยมกินไม่ได้ถึงไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนโยมก็กินได้ด้วยเคยกินมาในวัดตสงสารนับไม่ถ้วนขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอให้มหาะพิตรเข้าพระไทยเถิดว่าพระพุทธเจ้าได้อุปสมบทแล้ว ที่ภายใต้ไม้สีมหาโพรเพราะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบรารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์อุปสมบทเองไม่มีอุปชาอาจารย์ได้อุปสมบทพร้อมกับได้พระสัพพัญยุตายานเหมือนกับที่มหาบาพิษผู้เสวยโดยไม่ต้องมีอาจารย์เพราะเคยเสวยมาในวะตาสงสารอันไม่ปรากฏเบื้องต้น